นาวันนี้ก็มา น, อน้อคุณนทีอ ง, งนี่รับบารัตนายตร่ง่ป็นหน่างล้ก็ของวันนี้ก็เป็นารัตนาไตรครบก่อนนั้นนั้นก็เป็นประพุทธนะครับประดาม ประสองยังไม่เกิดคือยังมีพยานบุคคลวันครั้งแรกที่พระเจ้าพู่เดวะเทศธรรมะจั ก, การปวัตวตนสุตต ต้องเป็นเั้นเป็นต้นมาทามาจากจักคือทมคือวงล้อก็เลยขับเคลื่อนมูซัททั้งหลายคือในปัจจุบันสคัน0 1 9มาแล้วคนอันนั้นรับที่ความเชื่อที่มีอยู่ ก็หลากหลายจะพอะเอเดียก็ห้าหกดที่เป็นระดับเยอะๆสงาปัตย์งานคือคนนับถือกันเยอะซึ่งปัจจุบันการเป็นศาสนาหลากหลายกันไปจนหลายาศาสนาเกิดขึ้นหลังพุทธเวนพาน อันนี้คือเบื้องต้นนั่นการเกิดขึ้นของวิธจ้าของพลังเป็นสมวนหน่งที่แสงสว่างของพระอาทิตย์แาะระจานทร์จะเกิดขึ้นบนโลกแต่พระอาทิตย์กับว่าจารย์นั้นก็ทาหน้าที่การนลักขึ้น สชันน่วโมงกับสิบสองชั่วโมงเป็นยี่สิบชั่วโมงแนจตมของพุิเจ้านั้นถ้าผู้ใดได้สัมผัสอยากลึกซึ้งด้วยตนเองจะเป็นเสียงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพราสงสว่างมันเกิดขึ้นในใจขึ้นในจิตจิตนี่ได้ห่อหุ่น ปัจจุบนันที่มาหอที่เรามองไม่เห็นที่เป็นอย่าจา ก, ก็คือรวมกับคโรัประมรงนามปรมคัง4รสี่การห้าก็ได้เช่นพระเจ้า มองเห็นแล้ว ก, ก็นำ ม, มองมาสอนก็คืออันคือรูปร้างการของแต่ละคนของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านได้แยกเน้นให้เห็นถึงโรคกับนามนที่มันชุดเดียกันแต่พวกงานคือการกับจิตที่เราเห็นอันนี้พยายามอธิบาย เรื่องโลกเวทนาพิรุณการนี่อย่า ง, าางว่าทั้งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เลยแต่ไปมันมีอะไรอยู่ตลอดไปท่ า, านพิรุณพิญากรุ่นที่8เข้าใจสังขลอในสังโยชน์10 เรื่องของสักขายติทิความเห็นตัวเป็นตนก็คือการห้ามเขีนรูปอ ข, ขอเพื่อให้เข้าใจเข้าใจคําว่าน้ํสักขายติทิตะบุญง่ายดิจิปิชาความลังเลนสงสัยการเปิดกรงบนความไม่รู้ให้เข้าใจ โดยจำเป็นต้องพัฒนาการสำคัญไม่มีวิจิตรที่รู้แต่ความบาการยึดถือนับถือหลายทั้งปว ง, งกังเป็นเพว่าดวงตายเงินทางในบนตนืต้นคุณลักษณะปกอบคุณดวงตเง็นทาคือหนึ่ง จะไม่มีทางมีปัญบายคือ ป, ปิดอาบายในอาบายจะต้องหมดเรื่องนี้แล้วไปสู่การสัติรูสัสงผัสีปิดปตูวมันจะหายกลับไปอย่างนั้นคือจิตจะไม่ไหลกลับไปอย่างนั้นเรื่องต่าวะสองคือพระตน์ใจเป็นหลักจะที่พึ้นท้าว แลวคือสินสินนี้เป็นสินที่เรียกว่ารักษาโดยชีพใครจะบอกสินะสินแปดไม่ดีสรับพาอายะขึ้นไปัทาทจะเร็วาอายะกันตัาสิ้นชัดจเจ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งแต่หรื่ออื่นๆเร็วความน่าความโกรธความหลงยังอยู่ยังตัดไม่ เพราะในเมื่อความโลภของปวธมีอยู่การมีครอบครัวก็ปเป็นเรื่องปกติก็แสดงว่ามีครอบครัวได้มีลูกเต่าเหล่าแล้วอันนี้ควรระมัดวังแต่ที่สำคัญคือในเมื่อมีลูกได้ก็แปลว่าถ้าภาษาเราง่ายๆก็อย่างปวดหัวกลางแต่เร า, กก า, ราดูความมีสติ แล้ก็ไม่ละเมิดสิโดยว่าการมีสุนัขจาจ้าสีนาหานี่ชัดเจนเนี่ยนอนจะมี็นครบางคนผู้ อ, อื่นในที่นี้ครอครัวในลูกในราเป็นบ้านเป็นเมืองเหมือนนางวิสาคาเป็นต้นนางก็เป็นโสดาบันแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ยัเป็นคาราบาลังมาที่นีน่นั่งบวชก็มารู้โสดาบันเช่นกัน เพื่อนพวกเราควรจนดูการถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของรูปเวทนายอย่างไรการยิงยันตัวการหนานอยากกันออกชัดเจนเห็นด้วยตาเนื้ออีแบบหนึ่งคือตานื้ยตาหนังตาธรรมดาเห็นด้วยตาในไม่ดูอภปสนา เห็นด้วยตาเห็นไปวความละทอนป่อยวาเห็นด้วยตาหนอกเห็นเป็นไปด้วยความยึดถือเป็นดาเป็นเขานั่นในทนาหาคือรูปในนาญาการเป็นอ่เราเจอไปกีคว่าขั้นหนึ่งก็ขั้นสี่ขั้นหนึ่งก็คือโลกขัสีคือเวทนาท่จเการปอย่างซึ่งตัวขั้นสี่อันน้ นเมื่อมันอาศัยการห้ามไม่ได้คือร่างกายคือรูปมันขันสียมันก็ดีดอกแต่มันต้็นวิธีเกาะมีที่พึ่งมีที่ยึดมีที่ตัำเรียกที่กิ่งแต่มีที่พึ่งอยู่ไม่ได้มันไม่แค่น้ำมีแค่เวทนาเนี่ยนะครับเวทนาเป็นสวย กุศ บ, บัตเคือสยคืออาการเสวยอะไรหยุดสัญญาเสวยที่คัดนั่นแหละจมาสบายไม่สบายอะไเฉ ย, ยิยนยาสังขยยารวิญยาเวลาเมื่อรูปดับแล้วรูปคือกายยักษเนี่ยมันดับแล้วโดวยวิธีใดก็ตาม มันจะปเป็นโรคไข้เคยเจ็บหรือหมดอายุไปแล้วแต่มันอยู่ไม่ได้ถ้ามันทํางานไม่ได้ไม่สมดุลกันเดือดน้ําไฟลงในท้าเตาซีนั้นลมจะเป็นการออกเมื่อลมออกคือลมดับคือมันตั้งอยู่ไม่ได้ม้ำไฟมันก็จะ ตามกันมาน้ำมันก็ออกไฟก็จะค่อยดับร่างคนตายมันคือเย็น ม, ม, มันไม่มีไฟเพราะถ้าไฟมีร่ากายอันดับแต่ว่าจิตมันไม่ได้ดับประพฤติง่ายคือพี่ตายเรือร่างกายแต่จิตมันไม่เคยตาย มันเป็นมันไม่มาช่วยนาตาตีมาแล้วแ ต, แต่เราไม่เข้าใจสภาวะอั น, นแต่ที่อันคือแยกไม่ออกว่าเปรเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตหรจจือว่าใจเช่นเราพูดคำว่าสบก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีหอโอเคขานี่คือวางวางมันเป็นสบของกายแล้วเป็นสบของใจ ทุกก็จะมีการทุกข์ของกายที่จริงๆมันไม่ไเคยแยกออกรู้ว่าทุกว่าทุกคือมาปีดกั้นมันอยู่ยากคุณสมบัติของเขาคือทนไม่ได้คือเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้คือว่าทุกทุกขะแล้วก็เป็นคําแรกที่เราจะเอามาใช้ในอริยศัพ์ แป้วามจริงอันประเสริฐปรจริงๆรือของจริงถ้งงงงาใเห็นแล้วเห็นว่ามันประเสริฐมันดีเห็นได้เห็ น, เ, หนเรืองอารยสัตว์นะคำที่พุูธเจ้ามาใช้คำกระือนี่คอือวัตถุขาดคำที่สอง เมื่อไม่มีทุกข์ก็จะถามต่อทุกข์กำเป็นเหตุหรือเป็นผลทุกข์มันเป็นผลมัไม่ใช่สาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้้องแกด้วยสาเหตุสมมุติไทยเป็นตัวต้นต่อเป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเวลาผู้เจ้าอธิบายผู้เจ้าเป็นต่อเนื่องดวสติปัญญาระดับปุจจิกา เหมือนเราอธิบายคาว่าไฟคุณสบายขึ้นมาคือร้อนเกิดขึ้นกับใครใครเข้าใกล่มันร้อนร้อนเกิดจากอะไรถ้าอยาจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆถ้าความร้อนเจนน้ำ น้ำเย็นจริงน้ำคือน้ำเย็นคือเย็นน้ำคือน้ำร้อนคือร้อนแต่เรารวมกันว่าน้ำร้อนน้ำมันร้อนเองไหมน้ำร้อนๆทาให้เย็นด้วยนะทำไมมันถึงร้อนน้ำเย็นธรรมดา ก็เทใมอแต่ตัวที่ทําให้น้ำมันร้อนคืออะไรเชื้อเพิงจะเรียกอะไรแล้วแต่จะเรียกว่าแก๊สจะเรียกว่าฟืนจะเรียกว่าไม้จะเรียกว่าอะไรแต่ถ้ามันยังเหมืนมน้ำมันร้อนอันคือเชือ้อนั่นคือเหตุของมันคือทำให้มันร้อนเมื่อมันมีหรือไม่มันร้อน ไ, ได้เพราะฉะนั้นใจของเราก็เช่นเียกัน ใจเรามันร้อนแสดงว่ามันมีเหตุให้ใจเราร้อนก็คือเชื้อนั่นแหละถ้าไม่มีเชือ้อไม่ร้อนแต่้มีเชือ้อแต่อย่าไปเติมอีกอย่าไปเพิ่มอีกเชื้อนั้นมันหมดแล้วมันดับใช้คาาํ่าดับถ้าแฟเราะใช้ค ว, ว่าดับเหมือนกัรนิพพานะแปลว่าดับนิพพานะ แปลว่าเย็ยนนี่คือว่าไมยแปลว่าอะไรน้ำร้อนๆจะเราสมเข้าไปถอปดปลั๊กออกมันมีแตดตมีไฟปืนออกน้ำร้อนๆอีกสักพักบรรยากาะเย็นเหมือนเดิมแต่จรงกันข้ามถ้าเราไปสมมันมันตลอดเวลาเสียปลั๊กตลอดเวลาห้ามมันไม่ได้ เจตของเราเช่นเดียกันไม่มีแต่เชื้อเชื้อมันคือราคะโทสะโมหะเชื้อมันคือโลภโกรงเผาใจเผาจิตของเราทุกวันเราไม่เคยสังเกตสังการแบบนี้ที่มันร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะโลภะร้อนเพราะโทสะร้อเพราะโมหะร้อนเพาราะราคะหรือเปล่า ภาษาหรือป่คือไม่พอใจมัวหาหลงหรือป่าก็ม่ได้สังพระนั้นพะเจ้าสอนพวกเราทั้งตอน่างทั้งเหตุและผลเรื่องผลอย่างนี้แล้วก็รู้เหตุมันนะเหตุของทุกขานี่คือสมทุทัยเหตุแห่งทุกท่านบอกว่าเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือตัณหาคือความอยากอยากได อยากมีอยากเป็นแค่นดูอยากได้ส้มันไม่ได้อยากมีแล้วมันไม่มีอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคิดอะไรมันก็ทุกข์ค่ะวิธีการต่อไปมันเป็นเหตุมันเป็นผลอ่ อ, อนเป็นเหตุแล้วก็ตัวสมุทัยตรงนีน้มันก็จะส่งผลต่อนิโรธทำอย่างไรถึงจะดับ โรธะทำอย่างไรในถึงจะดับทางอธิบายต่อเมื่อมันดับเสร็จแล้วสภาวะมันเป็นยังไงสภาวะของจิตสภาวะของกายมันเป็นยังไงมันก็ส่องผลปฏิีนโรเป็เป็นผลดับเป็นเหตุ เ, เหตุแต่ก็เป็นผลจนถึงวิธีการเดือหนทางเต็มมักคุาวิธี เอ่อบารวิธีการปฏิบัติให้เกิดสิ่งเหล่านี้นิโรธถ้าจะให้มันดับนิโรธาให้ให้มันดับขอบ้อต้นหนึ่งข้อที่สี่หนึ่งสองสามสีจริงๆแล้วแค่สี่เรื่องเองถ้าเราสามารถที่จะเอามาคบคิดพิจารณาในชื่อพพจิหมองให้ครบทั้งกระวนการคือว่าระยศสั้สี่ที่เาจะอธิบาย วันแรกรูปกันแรกทฤษาีครั้งแรกถึงะนั้นก็ตามคนที่เข้าใจก็ได้คนเดียวในห้าคนคือเวัสที่ปัญญาอา่คนยังไงไม่ได้สี่เรื่องสี่หัวก็แล้วก็ได้มาคนเดียวที่เข้าใจว่าจริงตในสมัยเราเกิดขึ้นไป้ทําไม สิ่งดันทั้งบวงมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงว่าน้ําที่มันร้อนโอนมันไม่ได้ร้อนตลอดกับตลอดกันถ้าเราทําให้มันเย็นได้อยู่ที่ทําให้เย็นช้าเย็นเร็วอยู่ที่เราเอาเชื้อมันออกมากน้อยอย่างไรแต่เชือ้ อ, อ, อมันออกเร็วออกเยอะมันก็ดับเร็วแล้วเอาเชื้อมาออกช้ามันก็ดับช้า อ้ขนาดกกันไฟมันเกิดขึ้นไม่ให้มันร้อนไม่ได้เพราะไปสกุลิสบัตของมันตอนนั้นในภานะจึงเอามาใชา้กับคำตอนนี้นอะมาประมทั้งรูปธรรมนะมธรรมท่านอจาปรงัจะเข้าใจอีสีท่านเข้าใจหลักการก็ถึงพรตัตตานิชัยจนเคลกันที่สองสามอีกกระดุดอนอนาตา แล้วแต่ละกษณะลักษณะของตัวตนจะเป็นรูปธรรมอรูปธรรมลักษณะของจิตที่จิตที่มันจิตคือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนเป็นรูปท่านกรถามวับรูปมีธนาสัญญาในการมีอยางที่เราตัวที่ตัวแล้วครัเหมือนตัวตอบสนทนาถามว่ารูปเป็นอย่างนี้เรื่องอะไรเป็นอย่านี้มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยง คนยึด ถ, ถือไหมไม่คนยึดถือม่เป็นตัวเป็นอ่ะล่าไปเรื่ก็คือการเสพทานทุกคนเข้าใจสุดท้ายจบลงทั้ง้าทันก็ได้สำเร็จนรุนแรกบางช่วงเนี้ยในวันก่อนข้าพันศาลมีวันอาสาหานางกันกรข้าพันสา ออกพรรษาแล้วก็สวยเต็มพราะก่อนนั้นนั้นย้อนกลับไปก่อนที่เข้าพรรษาพว ก, ก็เสวยวิวัติหลังจากเดือนหกคือเดือนที่พระค์ตรสโลแล้วก็ยังไม่ไปเทศรประคายนัง่งพิจารณาเสวยวัติสุขว่จริงที่พวกสองคนพบอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆ่ายใครทีจะพูดกับใครก็เข้าใจได้ ถ้าคนนั้นไม่มีวาสนาบารมีไม่มีพื้นฐานไม่มีอุดมการยากที่จะเข้าใจแต่พระองค์ระเ้อจงเป็ที่มาของปร ะ, ม า, ประมาจรวงการปรารนาวันนี้จึงเป็นวันที่ครบปรารถนาใจสามดังแก่ตั้งตนนั่นเราสามารถที่จะ คนรัมบัตรเหล่านี้มาสอนเราว่าพรตัต น, นาใจเตือพุทธรัฒนาธรรมะัตนาสังขารพัตนาสามอย่างนี้ถ้าเรามั่นคงในพระตตตัตนาใจเหมือนในปัญญาเป็นปัญญาตั้งแตสักยะติที่วิชวิชาแล้วพระตัตนาใจได้เป็มั่นคงใ น, ในใจิตใจ ม า, มากถว่าทื่ด้วยชีวิตรักษากด้วยชีวิตแม้แตสิ่กัชนเดยันอยากขาบพวกเราทุกคนในภาษาการนี้อยากให้นความดีเกิดขึ้นกับตัวเองก็พยายามให้เอาฟืนเอาไฟเอาเชื้อที่มีอยู่ที่มันเผาเราตลอดเวลาเราก็ไปตัวมันเทาทำให้มันร้อน ทำอย่างไรที่เบื้องต้นให้มันเย็นน้อยลงโดยไมต้องใช้เครื่เหมือนย่ตอนนี้ใช้พัดลมไปเลยเพื่อให้มันหายร้อนให้มันร้อนน้อยลงแต่ไม่ได้แปลมันไม่มีความร้อนตอเนี้พัดลมเป่าอยู่นี่เพียงแต่ความร้อนมันน้อยลงระดับสุดขสบายความร้อนมันก็ยังเหมือนเดิมมันไม่สามารถ พันธุ์ความรู้ความโกรกก็หลอมเห ม, มือนกันถ้าจิตมาในข้องในสิ่งเหล่านี้ในรูปเรียนานแม้แต่รูปอนิช า, ร, ารูปยากบเราพูดก็ถึงแค่รูปหยากรูปละเอียดมันยิ่งว่านี้รูปหยากเรายังไม่เข้าใจเรายังยึดยังติดยังถือยังสามารถจะละทอนปล่อยวางบางอย่างบางเรื่อง เกี่กับตัวตนของเราอะไรให้ถือว่าเป็นเรื่องอานเลวรางตัวตนคือรูปร่างกายเราจะไม่เข้าใจเดินไปเดินมายืนเดินนั่งนอนก็ยังไม่เห็นตัวเองอนี้คือเรื่องลำบากที่อื่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราใช้กิริยบ ท, ทั้งสี่อันนี้คือ ยนเดินนั่งแล้วก็มองรู้ความมีสติต่อเนื่องมากขึ้นยาเฮขึ้นนานขึ้นไม่เห็นกับชั่วครั้งชั่วคราวคือสติมันต้องต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องกําลังไม่พอกําลังตของอะไรกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นสติกับปัญญาต้องควบคู่กันเสมออย่าใช้แค่สติกับสัญญา ความจำได้หมายรู้ชื่อสนใจแล้วก็จบแต่สัญญาที่จําทําสติปัญญาการนั้นที่จะเป็นไปด้วยความละตอนปล่อยวางแต่เข้าใจและสติปัญญาอันนี้มันต้องยืนยาวนานที่อยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวได้เดยอะก็เพลิดแล้วได้อยู่กันง่กับตัวเรารู้ว่าเราไม่กายกับใจ อยู่ด้วยกันจริงแต่เอาเข้าจริงจริงมันไม่ไอยู่ตลอดมันออกไปเที่ยวข้างนอกตลอดคือสติมันไม่อยู่กับตัวพอเปอดตาขึ้นเปิดหูออกคือเห็นได้ยิงมันก็ไปตามเสียงแล้วมันก็ไปตามรูปแล้วแต่ดี๋ยววันธรรมดนั้นมันไม่อยู่กับตัวเมื่อมันไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักมันก็ไม่เห็นคือไม่เห็นตัวเอง หนังยังไงก็เป็นันตัวเองมี่เวลาลืมต า, ามีเป็นเรื่องปกติเลยสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือปจัจจัยภายนอกเห็นหมดตัวอย่างง่ายๆคเห็นแล้วคนนั้นดีคนนั้นไม่ไดีเห็นหมดเสียงเหมือนกันซึ่งเสียงเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับเราคนนั้นดีก็ไม่เกี่ยวกับเราคนนั้นชั่วก็ไม่เกี่ยวกับเราเพื่องมองข้าม เราก็ไปวุ่นวายกับเรื่องคนนี้ในชีวิตของพวกเราจุดตัวเราเองดีไม่ดีไม่รู้คือเรียององวาวิธชามันไม่เป็นวิชาคือมัน ม, มีความรู้มีเรื่องของกายสังคารนั้นร้า น, นกันปฏิบัติธรรมหรือสี่พิพุทธะสอ 2, นเราคือให้เราดูตัวเองไม่ใช่ดูอีเพราะน่าเาการอีกฝากพวกเราอยากจริงจังนะ เป็นคนอื่นเราดูกันมานานแล้วดูกันมาดูกี่ปีกี่ท่านแล้วสามเดือนนะเนี่ยรอให้ดูตัวเองเยอะๆหน่อยมันจะได้รับประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์จา ก, การเกิดเกิดตายแต่ที่สำคัญคือเราอาจจะเกิดเหมือนรุ่นพ่อพเจ้าก็ได้เกิดเหมือนพระเจ้าเกิดยังไงเกิดครั้งแรกกรับมืเกิดผู้หลัเกิด เกิดเป็นคนธรรมดาเรียนามาหากินมีครอบครัว เ, เกิดครั้ เ, เกิดครั้งที่สองมันเป็นเดืนอนหก เ, เกิดเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุบันเกิดครั้งแรกเราเรียกว่าเกิดเพื่อตายคือไงก็ต้องตาย เ, าเกิดครั้งที่สองเยเกิดเพื่อไม่ตายจิตมันจะไม่ตายครั้งแรกมันวนไปเวียนมา ซึ่งส่วนใหญ่เอยู่ในกอร์คือเกิดเวื่ายแต่ถ้าเกิดจากพุะผู้ชเจา้ามันมีทางที่กลับมาอีกกลับมาน้อยจากสามห้าจดชาติเป็นอย่างมากนอนไม่มาอีกแล้วือไปต่อข้างบนอย่างบางวนสุทธาวาสทุ่พรมแล้วก็ไปต่อมันไม่ได้กลับหรือถ้าได้กลับมากลับมาดี มันจะกลับไปเป็นสิ้นสารลา์จิตไมนสิงนสถิตอยู่กับช้างมา้าโวควายก็จิตมันมีสิ้นไม่มีธรรมก็ดูจัดเขาหล่อนั้นอ่ะพูดถึงสิ่งนีเงงเเง้เขาไม่ดูเรื่องพูดถึงกางเข้าม่รูเรื่องเขาก็จะอยู่แต่สภาอย่างนั้นพอสภาว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะไล่จะเป็นต้องระวังถ้าจิตของเราไม่มีสิ้นไม่ทำเมื่อใดอ่ะอันตรายจะนำปัญหาการมีป่าทุกดาว ใ่้ขอพระรัตนใจเป็นหลักคือพระพุทธเจ้าขอท่านเป็นพระองค์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างพระธรรมคือสภาวะที่มีอยู่คือธรรมชาติเกิดแก่ตายอย่างอ่อนแองอื่นๆไม่ใช่ปัจจัยปิฎกธรรมคือธรรมชาติที่มีอยู่พระสงฆ์ย้ำผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติชอบ ที่เอาปฏิปทาของพิธีการป ร, รเอามาใช้ขยะายความปฏิบัตดิดอกต่อตปฏิบัติกัฎเก่าตัวเองเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วค่อยแนะแล้วก็นําแนะได้นําได้ชเรียกว่าผู้แนะนําอย่างนี้่เรียก ว, ว่าผู้นําเราก็ดูผู้นําดูผู้นําแปลว่าต่างๆปฏิบัติตา่างพิธีคิด วิธีพูดวิธีทำทจริยวัฒนกา ร, รเป็นมาคํารวัฒน์ถ้าจะแก้กรรมก็เช่นถ้าไปแก้อะไรยุ่งยากมากมายถ้าแก้ความคิดตัวเองไม่ได้แก้คำพูดตัวเองไม่ได้แก้การกระทํำอะไรอย่าไปหวังเรื่การแก้กรรมอย่ไปหาโอ น, นั้นโอนี้โอโน้นที่จะมาแก่อะไรแก้ไม่ได้เราเท่านั้นที่จะแก้ความคิดตัวเองได้ แตกขอบพ้งสร้ารง่อผู้อื่นได้คนอื่นไม่มีเพราะนั้นถ้าจิตของเรายังไม่เข้าใจยังไม่ได้รับการอบรมคือทั้งอบรมไม่พิทารที่ฉลาดไม่พิทารที่เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนคนเกิดมาแล้วไม่ศึกษาไม่เรียนรู้แต่ไม่พิธารที่เขา้าใจเต็มเเลยในโกนี้ต่อเห็นตัวสืออักระ เราไม่สามารถที่เข้าใจได้เห็นแต่ไม่เข้าใจคนเราเห็นภาษาต่างประเทศเป็นเหมือนกันแต่ก็จะไม่เข้าใจเพราะเราไม่อยู่องค์ความรู้ไม่ได้เรียนเช่นเดียวกันจิตของเราทําให้ปฏิบัติเห็นสัรพสิทธิ์หน้าหลายรอบตัวกานตัวหรือตัวเองก็ต่างถ้าเราไม่ปฏิบัติคือไม่อบรมอิปโปน้อมว่างตัวไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆเพราะไม่มีการเรียนรู้ มันก็ไม่รับประโยชน์แต่การเกิดแก่ตายง่ายเกิดคือตายฟ ร, ร, รีไม่ได้อะไรจากการเกิดแก่ตายเป็นหรือที่น่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาพบารพบระอาจารย์แลพบครูาอาจารย์ผูปปฏิบัติป ร, ปริบัติรุน่นแล้วรุ่นหน้ารุน่นแล้วรุ่นหน้าแต่ก็เชิงคือได้มีโอกาสฟังไม่ได้มีปฏิบัติ แต่ครับรถทางการปฏิบัตินั้นนั้นมากน้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าเราโชคดีมากแล้วอันนั้นตัถือว่าษ า, าการนี้มาต่อยอดอยเพิ่มเติ ม, มความดีให้มันมากขึ้นความร้อนที่มีตัวเราเชื้อที่มีอยู่ครัาพยายัมที่จะลดหลดลงก็งง อ, อย่างดีแต่แต่มันไม่ลดไม่เป็นไรแต่อย่าไปเพิ่ม เพิมเชื้อเข้าไปอีกเนี่ยมันจะไม่วนยุดยัเพิ่มความร้อนมันก็ะนจะเผาตัวเองจนไม่เหลืออะไรเลยจนสุดท้ายแหนะแต่ร่างกายเขาก็เผาจริงๆไม่ได้เผาหลอกไม่ได้เผาเล่นเผาจนเหลือแต่กระดูกหรือแต่ทัตินื่อตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วจิตมันไปได้แล้วก็ไม่รู้ขนะเป็นสุดท้าย ถึงมันไม่พอ เ, เ, เ, เ, เราเขาก็ไม่พอเราจกิดกดินเกิดดินเกิดถากดกระดูกโดยเราเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรายังมีโอกาสมีเวลามีกําลังจะไาไปคิดแบบโอ้แกล้งขาไม่ดีกระดูกแข็งแล้วมากแล้ ว, ลวไม่ดี้พูดเยอะอยู่ตั้งแปดสิบแปดสิบมัคือเดินเดินทุกวันไม่ใช่นั่งเฉยเดินทุกวัน จนว 80, ัย80เคนเดินไม่ไหวนอ น, น, อ น, น, อนปูรองจนวาระสุดท้ายก็คือนะผ่านไปตายจนว 80, ัย80ก็แสดงว่าเราก็ยังอยู่ได้แล้วในวัย80ชั้นไม่เดียวเสื้อผ้าสามตัวอากาศเยน็นด้อนหนาวก็อยู่อย่างนั้นแต่สภายอย่างนี้นได้ในวัย80เราจะอยู่ พวกเราถือว่านมเน่นมากๆเรายังมีข้ออันเยอะแยะมากมายเพื่อจะให้ทำความดีเพื่อเกิจะเองมันเย็นลงดัดลงพอเป็นร่องที่น่าเสียดายน้าประสารนี้ฝากพวกเราทุกคนอยู่ที่นั้นก็ได้ททำให้เป็นนิสัยอะไรได้ทักอย่างเกตั้งใจเองอธิษฐานในใจก็ได้ จะเป็นบารมีที่แ ส, สนทมงใหเราทั้งหลายได้ศักดิ์สิทธในคนของพระตนใจคือคนของผู้เจ้าคณของประธรรมคนของพระอิยาส่ ง, ง, งั้นวันนี้เราจะได้มาน้อมคริด น, นึกถึงบูชาคนของพระตนาใจ ท, ที่ครอบส่วนทุกประการในวันนี้แต่ที่สำกัญคือ เราได้สําร็จความกําจัดอยู่ก็ได้ที่ต่อพัตนาใจถ้าไม่อย่างนั้นจิตเริ่มตนท้าพระองค์หรือผู้จํัทธาไม่แสดงสองพันกว่าปีก็ได้คงไม่ได้เป็นอย่างนี้นสบายละเพราะนั้นมันนี้เรามันมเป็นการยังถึงพระร ค, คุณของพระอ ง, นนะองนนค์ในตอนนี้อาจะได้ปฏิญาณตนตั้งจิตตั้งใจว่าเรา จะเป็นโลกูกพิธีของพระพุทธเจ้ากรรมธรรมของพระอาญาสมจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบคือคุณสมบัติสันปัจสม์ซึ่งเราความสาัารเป็นได้จะมาเป็ น, นําคุณสมบัตินี้เอามาใช้ได้ปันคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณด่าความกระมธรรมคุณด่าความปร สงหรือเปอสงที่เราภาลานกันทุกทวันตนเช้าตอนเย็นเราทาวัดครั้งแรกก็คือพุทาาธานัสสกิเรื่ถึงพุทธเจ้าธรรมานุสสติก็ื่องาตั้งฆาสสติเืองถึงพสงฆ์ระสงในตีมือเป่ า, า, มมาะอะสงอย่างนี้ที่เราทาวัดเช้าเย็นกบความหมายในแค่นี้ภาาอพุทธบุญทบุเพื่อให้คนเหล่านี้อยู่ในจิตอยู่ในใจตัวเรา ประก่อน อ, อย่างน้อยที่สุดก่อนที่จะจะออกจากร่างก็มีพุทธคุณธรรมคุณสันตคุณอันนี้เราจะไม่ไปตกตมม่ำ้มแต่อาบานี่นะก็นี่คือสารธรรมก็แบบฝากเปล่าข้างเป็มันนี้คือขั้สุดท้ายคือพ่อฝากไว้ก็คือเนี่ยคือประมาทก่อนจะไปก่อนจจากก่อจะไม่พ่านตัออกัดไปเป็ตีนทางสุดท้ายในปัจฉิมวัฏก็คือเรื่องของ ั้งประมาณในชีวิตในแบบนี้เลยทางการปฏิบัติธรรมกับมองว่าที่ความไม่ประมาณททางอยากเราตหลาดอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันแล้วก็เ จ, จะเจริญคือจเจริญในท่าท่านที่มีอยู่แล้วมันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเหมือ น, นขอเราตลาได้มีความจเจริญทั้งทั้งโลก และทางคำทุกคนทุกท่านเพิน